สังขารที่แม้จะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สติสมัมปยัญญะของท่านบริบูรณ์ก็ระลึกอย่างนี้ก็สลดสังเวชแต่ว่าไม่ร้องไห้สลดสังเวชด้วยการเห็นความจริงของชีวิตของสังขารทั้งปวงว่าชีวิตและสังขารทั้งปวงเนี่ยมีธรรมดาแห่งการดับไป ขณะที่พระภิกษุทั้งหลายบางพวกกาลังร้องไห้บนเพ้อราพึงถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ก็มีพระภิกษุมหาสัจจันทร์รูปหนึ่งมหาัจจันทร์ในทางในทางบองๆองอยู่นะคือชื่อพระสุพัทธวุฒบันผชิตไม่ได้ร้องไห้และก็ไม่ได้ปรองสังเวชนะบวชอยู่ในวัยแก่ได้อยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยได้กล่าวห้ภิกษุทั้งหลายว่า อย่าเลยท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าพากันเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ไปเลยพวกเราได้พ้นด้วยดีจากพระมหาสมณะแล้วพวกเราถูกพระมหาสมณะสั่งสอนจู้จีว้ว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําดังนี้มานานแล้วบัดนี้พวกเราประสงค์จะกระทําอย่างไรก็กระทําได้ตามความประสงค์เราไม่ประสงค์จะกระทำอย่างใด ก็ไม่ต้องกระทำสิ่งนั้นพูดเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดว่าพระพุทธเจ้าบริพานเร็วนักหรือไม่ได้พูดว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่พูดด้วยความโกรธพระพุทธเจ้าและพูดด้วยความดีใจว่าต่อไปนี้เราสบายแล้วทำไปเลยตามใจชอบพระพุทธเจ้าม่อยู่แล้วนี่เราจะทำยังไง็ทําเป็นอย่างนี้นะพูดด้วยพูดเหมือนกันแต่พูดด้วยกิเลส กิเลสก็คนละชนิดกิเลสของของขอ ง, ของสุภัททะนี่เขาโธสะที่มุ่งมุ่งไปที่ไปที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยทําไม่ดีกับเรานะแล้วก็พระพุทธเจ้ามาจู้จี้จุกจิกแล้วก็ดีใจว่าเออต่อไปนี้เราทําอะไรได้สบายส่วนของพระที่มีกิเลสแล้วนั้นนะ่ะเสียใจนะว่าพระพุทธเจ้าบรริพานไปเร็วนักเราไม่ได้ทัน เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ได้เห็นท่านแล้วแห่งนี้นะพระมหากัรสปะเถระได้เห็นแล้วก็ได้ฟังการกระทําของพระภิกษุทั้งหมดได้เห็นได้ฟังการกล่าวจ่วงจาบพระบรมศาสด า, า, าของพระสุพธธัทธวุท ธ, ธบันพชิตพุท ธ, ธะในแปลว่าสูงนะแต่อันนี้ไม่ได้สูงด้วยคุณธรรมสูงด้วยอายุมีอายุมาก เห็นว่าเป็นการกระทําและการพูดที่ไม่ดีแต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรเป็นแต่กล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ร่ำไหไปเลยพระบรมศาสดาได้ตรัสบอกไว้แต่เดิมแล้วมิใช่หรือว่าความพัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งปวงย่อมมีเป็นธรรมดา ใครจะบังคับว่าสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วเหตุปัจจัยตกแต่งแล้วย่อมมีความแตกหักเป็นธรรมดาขอสิ่งนั้นอย่าได้แตกหักผุพังไปเลยดังนี้ย่อมห้ามไม่ได้ก็ไม่ได้กล่าวตำหนิติเตียนพระสุพัทธเดี๋ยวนั้นเพราะว่าเกรงว่าศาสนาอื่นเขาจะเขาจะเอาไปตำหนิ ติเตียนว่าพระพุทธเจ้าปริพันธ์เพียงเจ็ดวันพระก็แตกแยกกันแล้วนะแล้วต่อจากนั้นท่านก็พาพระภิกษุเดินทางมายังเมืองกุสินาราขั้นเมื่อพระบรมศพของพระผู้มีพระภาคเจ้าประดิษฐานบนพระจิตกาทานแล้วมลกษัตริย์ผู้เป็นหัวหน้าสี่องค์ทรงสงสนานพระเสียรแล้วก็ทรงพระภูษาใหม่ ตั้งพระไทยว่าจกถวายพระเพลิงพระศพของพระผูมีระภาคเจ้าแต่ก็ไม่สามารถจะจุดไฟให้ติดได้จุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดจึงได้ถามพระอนุรุธเถระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเหตุไรไฟจึงไม่ติดพระอนุรุธก็ถวายพระพรตอบว่าเพราะเหตุว่าไม่ตรงกับความประสงค์ของเทพเทพยดาทั้งหลาย มรรกษัตริ์ถามว่าเทพยดาทั้งหลายมีความประสงค์อย่างไรพระรุธทั้งหลายตอบว่าพระรุธเถระตอบว่าทวยเทพเ ท, เทวดาประสงค์จะรอพระมหากัสปะเถระซึ่งกำลังเดินทางจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุศินารานี้พร้อมด้วยพระภิกษุห0 0รอรูปพระมหากสปะเถระยังไม่ได้ถวายบังคมพระยุคนบาท ของพระผู้มีพระภาคเจ้าตราบใดพระจิตกาจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังจุดไฟไม่ติดอยู่ตราบนั้นคือเทวดาเนี่ยเขาเป็นอุปถากของพระเถระตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดาเมื่อรู้ว่าพระเถระกาลังมาเขาก็ไม่ประสงค์จะให้ถวายพระเพลิงก่อนต้องการให้พระเถระมาถวายบังคมพระยุคนบาทเสียก่อนนี่เป็นความประสงค์ของเทวดานะ มลักษัตัตย์ทั้งหลายจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จงให้เป็นไปตามความประสงค์ของเทวดาทั้งหลายเถิดฝ่ายพระมหากษัตริเทระพอมาถึงเมืองกุสินาลาแล้วก็ตรงไปยังที่มะกุฑ พ, พันธะเจดีมกุฑพันธะเจดีคือที่ที่ประชุมเพลิงจนกระทั่งถึงพระจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นไปถึงแล้วจึงห่มจีวรลดไหลลงข้างหนึ่งประคองอัญชลี อัญชลีก็นิ้วมือทั้งสิบขึ้นประนมมื อ, อคือประนมมือยกขึ้นกระทาประทักษิณพระจิตกาทานนั้นสามรอบแล้วเ ป, ลเปิดพระยุคนบาทของพระพุทธเจ้าออกถวายบังคมด้วยเสียงก้าวของตนและพระภิกษุทั้งห้าร้อยรูปก็ถวายบังคมตามอย่างพระมหากัสปะเถระเช่นกันเมื่อพระมหากัสปะเถระ กับพระภิกษุทั้ง500รอรูปถวายบังคมพระโยะคตบาทของพระผู้มีรภาคเจ้าแล้วพระจิตกาทานของพระผู้มีรภาคเจ้าก็ได้เกิดไฟลุกโผรงขึ้นเองโดยไม่มีผู้จุดไฟเลยนับว่าเป็นการน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในอยู่ในมหาปรินานิพนธ์ูตรแต่ยังมีคาอธิบายนะยังมีคำอธิบายอีก ในคำภีสุมังคละวิลาสินีซึ่งก็น่าสนใจนะน่าสนใจพระอาจารย์อธิบายรายละเอียดอะไรได้ดีมากเลยซึ่งเราน่ารู้อย่างยิ่งเลยคือในเช้าวันนั้นนะพระมหากัสปะเที่ยวบินทบาตในเมืองปาวาแล้วคิดจะไปเมืองกุสินาราเดินทางมากับพระภิกษุห0 0ร้มาถึงเที่ยงวันก็พักใต้ต้นไม้คิดว่าจะไปถึงตอนเย็น เมืองกุสิตนาลาเนี่ยตอนเย็นแต่ในขณะหยุดพักก็เห็นอาชีวกถือดอกมณฑารพบดอกใหญ่ประมาณเท่าถาดถาดใบใหญ่ใช้กั้นบังแดดต่างร่มเดินมาเออก็ดีเป็นการไม่ต้องเอาร่มนะเอานี่ถือเป็นร่มมาเลยคือดอกไม้ใหญ่เท่าถาดนี่มันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมและยังเป็นดอกไม้ที่มาจากสวรรค์อีก พระเถระคิดว่าดอกมณทารบนี้ตกลงมาในมนุษย์โลกเฉพาะเวลาที่ท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลอย่างหนึ่งเอาลนะคนนีใครเขาอวดคุณพิเศษเลยเขามีฤทธิ์บอกเอาละท่านบันดาลให้ดอกมณทารบตกลงมาสัาหน่อยเราจะได้นับถือกันได้จะามาใช้กลางลมบงังนะถ้ายังบันดาลไม่ได้อย่าไปนับถือนะะเวลาที่สองคือเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จสู่พระคัน และประสูติจากพระคันพระมานดานี่ดอกมณฑารลก็จะเกิดอีกทำไมแล้วเทวดามาบูชาแล้วในเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ดอกมณฑารพบก็จะเกิดอีกและทรงแสดงพระธรรมจักรนี่ก็เกิดอีกพระพุทธเจ้าทรงกระทำยะมกะหรือยะมกปฏิหารก็เกิดอีกพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงสวรรค์ และพระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารเกิดหลายแห่งเกิดหลายครั้งนะแล้วที่สําคัญก็คือตอนประนิพพานนี่แหละดอกบนทารพบก็จะตกลงมาการที่ดอกบนทารลบตกลงมาในครั้งนี้ก็เห็นจะเป็นด้วยพระบรมศ า, าสดาของเราเสด็จดับขันทพระนิพพานอย่างแน่นอนคิดใจตองถึงเหตุผลแล้วจึงลุกขึ้นประคองอัญเชลีเฉพาะต่อพระบรมศาสดาคือยกมือเนี่ยว่ายพระพุทธเจ้าซะก่อน แล้วจึงถามอาชีวกนั้นถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างว่าท่านทราบข่าวของพระรุปสาดดาของเราหรือไม่นะมีคําถามว่าพระมหากัสปะไม่ทราบหรือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธมิ่านแล้วมีคําตอบว่ารู้แต่ที่ท่านถามเพื่อจะให้เกิดสติแก่พระภิกษุทั้งหลายคือถ้าพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังข่าวก่อนแล้วเมื่อได้ไปเห็นในภายหลัง คือได้ไปเห็นพระสรีละในภายหลังเนี่ยก็จะได้เศร้าโศกน้อยลงถึงอย่างนั้นพระพิสุทิ์ทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนก็แสดงความเศร้าโศกอยู่มากจนถึงกับสุพัทธะพุทธบัณภาชิตผู้บวชแก่ผู้บวชเมื่อแก่ได้กล่าวช่วงจาบหยาบคายด้วยคำที่กล่าวไว้แล้วดังนั้น คำว่าจิตตะกาธานนี้คือเชิงตะกรอนที่ประดิษฐานพระบรมศพของพระพุทธมีพระภาคเจ้าเป็นจิตตกาธานไม้จันที่ก่อสูงถึงร้อยยี่สิบสองไม้หอ ม, มนะพวกเรานี่ก็กำลังเดินทางไปสู่จิตตกาธานกันทุกคนนะไม่มีใครหนีหรอกเดินหน้าไปสู่เมนกันทุกคนเลยแต่จะเมนตรงไหนนี่บอกกันไม่ได้วัดไหนก็ไม่รู้นะ อาจจะไม่อาจจะไม่อยู่ในวัดก็ได้ก็ขอให้คิดถึงความจริงของชีวิตอันนี้ไว้แล้วก็ขอให้ได้กระทาการปฏบิบัติบูชาในพระธรรมวินัยกพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งในการที่จะไปสู่ความตายและก็ความเกิดจนกว่าจะได้พ้นวัฏสงสารการมัรยายธรม เรื่องจีวประวัติกรวประหาเิระนามราพระมกษัตริยยังไม่จบแต่หมดเวลาขอผลบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านได้เจริญบุญกิาวัตถุ1ิบด้วยความไม่ประมาทในทุกชาติทุกภพและขอให้บุญกิาวัตถุสิบทั้งปวงนั้นจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย ได้เห็นทรรมสิ้นอาสวะกิเลสโดยพรันทุกท่านเธิด